ทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและก่อนอื่นขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่เคยได้ฝึกหัดอบรมมาแล้วขอทุกท่านจงเตรียมหาที่นั่งให้เป็นที่สบาย นั่งตามอัตยาใสในท่าใดที่เห็นว่าเป็นท่าที่สบายก็ขอได้ปรดนั่งจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายไว้บนตักก็แล้วแต่จะสะดวก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 ศูนย์กลางของจิตยอยู่ที่ตรงไหนอยู่ส่วนกลางของกายแล้วกาหนดรู้ลงที่นั่นสำรวมในจิตนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเพียงคำเดียว ในขณะที่นึกบริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่เพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุโทโธให้พุโทโธอยู่ที่จิตแล้วพยายามนึกพุโทโธให้ติดต่อกันอย่าให้มีช่วงว่าง แล้วก็นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านกำหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปสักพักหนึ่งเที่ยงจะนึกพุโทโธด้วยความเบาเบา สลัดความนึกคิดที่จะให้จิตสงบหรือความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆออกให้หมดหนาทีมีเพียงแค่นึกพุทโธอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสติก็ไม่ต้องไปตั้ง เมื่อเราตั้งใจจะนึกพุทธโธแล้วสติมาเองเพราะเราตั้งใจจะนึกพุทธโธเมื่อท่านนึกพุทธโธบริกรรมภาวนาอยู่ทั่วขณะหนึ่งเมื่อจิตมีอาการเคลิมเคลิมเหมือนกับจะง่วงนอน อย่าไปทำความแปลกใจเอกใจหรือตกใจเพราะอาการอย่างนั้นให้ประครองจิตนึกบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรืรร่อยไปเมื่อจิตมีอาการวูบวาบ ก็อย่าไปตกใจใดๆทั้งนั้นทาสติประคองจิตรู้อยู่เฉยๆแม้จิตจะมีอาการวูบลงไปก็อย่าไปตกใจถ้าจิตของท่านยังนึก บริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่ก็บริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งจิตนึกบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกเราตั้งใจนึกพุโทโธพุธโทโธ แต่เมื่อจิตอยู่กับพุโทโธพุโทโธอยู่กับจิตไม่พลากจากกันจิตของเราจะนึกบริกรรมภาวานาพุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการบริกรรมภาวานาของเรากำลังเริ่มจะได้ผล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 เมื่อผู้ภาวนาได้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของการภาวนาจิตของผู้ภาวนาย่อมจะมีความส่มทราบดูดดื่มในบริกรรมภาวนานั้นแล้วจะมีอาการ เอบอบิ่มใจมีอาการดูดดื่มอยู่กับบริกรรมภาวนดานั้นในช่วงนี้ผู้ภาวาอาจจะเกิดมีอาการขนลุกชูฉันล่างกายโยกโครงหรือตัวฉสัตว์รู้สึกว่า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 ในขั้นนี้บางครั้งจิตของผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสว่างสวยแต่บริกรรมภาวนาอาจจะยังยังอยู่ยังไม่หายไปจิตยังนึกบริกรรมภาวนาเองแต่รู้สึกแผ่วเบาเขา้า อาการหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงจนกระทั่งจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่เฉยจิตดื่มรสของปีติและความสุขความสงบกายความสงบจิตละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาในบางครั้งจิตจะว่างอยู่เฉยๆมีแต่ความสว่างว่างอยู่เท่านั้นในบางครั้งจิตจะยึดลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งรู้แล้วก็ทำสติระลึกอยู่กับสิ่งนั้น ผู้ภาวดากำหนดเอารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจในบางครั้งการหายใจอาจจะแรงขึ้น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 โูภาวนาไม่ควรตกใจหรือเอใจใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเรามีแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจทาสติระลึกอยู่กับลมหายใจ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 มีแต่จิตดวงเดียวล้วน้วนสงบนิ่งสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิในขั้นแรกเป็นปฐมจิตเป็นปฐมวิญญาณเป็นมโนธาตุ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 ในปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วผู้ภาวนาย่อมรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือความสงบของจิตขั้นสมถะแม้ว่าจิตจะยังไม่เกิดความรู้ใดๆขึ้นมาก็ตาม ใ่หากเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตเมื่อผู้ภาวนามาฝึกอบรมจิตให้มีความสงบนิ่งอย่างนี้หลายๆายครั้งหลายๆายคราวผู้ภาวนาจะสามารถกำหนดวิถีจิตของตนเองตั้งแต่เริ่มแรก ที่เราเริ่มนึกถึงบริกรรมภาวนาจะกำหนดได้ว่าสมาธิในขั้นต้นต้องมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัขาตาสมาธิที่สงบลงไปในระดับกลางๆจะปล่อยวางวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติสุข กับเอกับคตาสมาธิที่ละเอียดเข้าไปหน่อยจะปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกับคาตาในขั้นนี้กายยังปรากฏอยู่อย่างละเอียด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 เยอะตัวของตัวเองเป็นสิ่งรู้โดยอัตโนมัติเพราะจิตรู้อยู่ในจิตแล้วสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสอยู่นี่คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังคำที่เราได้สวดมนต์ไปแล้ว เมื่อจิตเข้าไปสู่สมถะในขั้นในตอนต้นๆซึ่งจิตยังไม่มีพลังงานก็จะได้แต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้คือวิธีจิตที่เดินตรงเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิอย่างละเอียดในขั้นสมถะกรรมฐ า, านหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิ ที่นี้ตั้งแต่วิถีจิตที่เดินมาตั้งแต่สมาธิขั้นต้นตอนต้นๆที่เรานึกถึงบริกรรมาภาวนาจนกระทั่งจิตดำเนินมาสู่ความสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เท่านั้น ท่วงระหว่างกลางกลางบางทีอาจจะเกิดมีประสบการณ์ขึ้นในระหว่างนั่นเช่นเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตสงบสว่างลงไปนิดหน่อยเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกยอมจะรู้เห็นในมิตต่างๆเช่น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 คล้ายๆกับว่าตัวเรานี่เดินออกจากร่างแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามภูเขาเหล่ากาป่าดงไปมองเห็นปราสาทวิมานที่สวยงามเห็นเทวดาเทพพบุตรอินทร์ลมอันนี้เป็นนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตส่งกระแสออกไปข้างนอก เมื่อจิตเกิดมีนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาต้องการอยากจะรู้เห็นอะไรเช่นนรกสวรรค์เป็นต้นเมื่อน้อนจิตนึกถึงนรกก็จะเห็นนรกน้อมจิตนึกถึงสวรรค์ก็จะเห็นสวรรค์ น้อมจิตนึกถึงบิดามารดาปูย่าตายายที่ร่วงลับดับหายไปแล้วก็จะเห็นท่านเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องการภาวนาเห็นแม้ว่าการเห็นอันนี้ผู้ภาวนาที่มีความฉลาดสามารถที่จะยับยั้งความรู้สึกไม่ให้หลงในนิมิตนั้นนั้น เขาจะกำหนดหมายเพียงแค่ว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งละลึกของสติยอมจะประคองจิต ด, ดูเถย อ, อยู่โดยไม่ไปเกาะติดหรือ ย, ยึดสิ่งที่มองเห็นนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เขาจะประคองจิตให้มีสติรู้เฉยอยู่แม้ว่านิมิตนั้นๆจะแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามผู้ภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะดีพอสมควรจะไม่หลงติดนิมิตนั้นๆ เพียงแต่ถือเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นเองเมื่อจิตไม่ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นจิตก็ไม่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกเมื่อจิตจึดสิ่งนั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตแล้วก็เป็นสิ่งระลึกของสติกำหนดรู้เฉยอยู่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 เป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้สติปัญญาพิจรารณารู้อสุภกรรมฐานถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายสาบสูญจมไปในดินในน้ำในลมในไฟผู้ภาวนาก็จะได้รู้าธาตุกรรมฐานคือรู้ว่าร่างที่มองเห็นนั้นเป็นสักแต่ว่า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 โดยจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าสัตว์ทั้งหลายเขาล้มตายไปแล้วแล้วสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดบัดนี้เขามาตายให้เราดูเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ตายไปแล้วเรากับเขาก็เปรเป็นประเภทเดียวกัน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 เมื่อน้อมเข้ามาถึงตนแล้วจิตจะรู้สึกว่ามองเห็นความตายของตัวเองในขั้นแรกๆก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะตายเหมือนอย่างเขาในเม่จิตมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาว่าเราจะตายจริง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 แม้แต่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เคยนุ่งห่มก็จะเปลือยเปล่าไปหมดแล้วร่างกายก็จะปรากฏนิมิตให้เห็นแสดงอาการขึ้นอืด น, น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูก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 แล้วก็หายลงไปในพื้นแผ่นดินเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็จะรู้ว่าร่างกายของเรานี่มีแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่การรู้ในขณนะนั้นจะรู้อยู่ในทีโดยไม่มีภาษาที่จะพูด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 ร่างกายที่แสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปือ่อยปุกพังจนสลายตัวเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นไปตามเรื่องของใครของเราจิตก็อยู่ส่วนจิตส่วนกายที่เป็นไปก็อยู่ส่วนกายแยกกันจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแล้วในที่สดุดผืนแผ่นดินก็จะหายวับไปหมด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 แต่ถ้าจิตดวงนี้ไม่ติดสมถะหรือไม่ติดความสบายในความว่างพอผื้นดินพืนแผ่นดินหายไปแล้วพื้นแผ่นดินก็จะปลากุดขึ้นมาให้มองเห็นอีกผงกระดูกที่หายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาอีก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 เหมือนถูกลอกหนังออกหมดแล้วแล้วในที่สุดเนื้อที่มองเห็นเป็นสีแดงชาไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆก็จะค่อยแห้งเกรียมเข้าไปทุกทีทุกทีในที่สุดผิวหนังจะปรากฏุขึ้นห่อหุ้มร่างกาย เมื่อผิวหนังปรากฏห่อหุ้มร่างกายสมบูรณ์แล้วขนและฟันหรือผมก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์เป็นร่างขึ้นมาได้ขนาดนี้บางทีก็ถอยออกจากสมาธิ พอถอยออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายยอมเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตจะย้อนไปทบทวนความเป็นทายในขณะที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายเขาจะพิจารณาทบทวนของเขาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ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 ในตอนนี้ปีติและความสุขจะบังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจนกระทั่งจิตปล่อยวางปีติความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งคือเอกคะตาเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่ในความเป็นหนึ่งปรากฏการ์อันแปลกประหลาดย่อมจะเกิดขึ้นแก่จิตของผู้ปฏิบัติ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 สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอย่างละเอียดนั้นคือสภาวะธรรมขั้นละเอียดสภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไอเจ้าจิตตัวรู้นี่ก็จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวตามอาการนั้นๆ อาการของความยินดีไม่มีความยิน้ายไม่มีอาการที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่อะไรปรากฎการขึ้นมาจิตรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยเมื่อแท้ของสัจธรรมแล้ว สัร์ธรรมของจริงที่ปรากฏกับจิตผู้ปฏิบัติย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรเจ้าจิตก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตสิ่งที่จิตรู้เขาก็ไม่เรียกว่าอารมณ์หรือสิ่งใดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีปรากฏการ์ ต่างคนต่างรู้รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติคือไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรระดับนี้จิตของผู้ปฏิบัติถีบตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่ในขั้นแห่งโลกุตตะโคมธรรมะที่เกิดขึ้นในขั้นโลกุตตะขั้นเหนือโลกนั้น ย่อมเป็นของจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติอันนีจังทุกครั้งอนาตาไม่มีมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาไม่มีโดยไม่มีภาษาที่จะเรียกอสุภกรรมฐานความสปกปรกโสคกปฏิกูลไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกเด่นน้ำลมไฟไม่มี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 เราน้อมเลิกพิจารณาจนกระทั่งจิตยอมรับว่าเป็นสิ่งปฏิกูลจริงๆแต่ถ้าจิตสอบละเอียดลงไปแล้วรู้ความปฏิกูลนั้นแม้จะมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสักเท่าไหร่ก็ตามโศกโปรกเท่าไหร่ก็ตามเนื่องจากจิตไม่มีความสาคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญติ ความรู้สึกปฏิกรูน่าเกลียดในขณะนั้นจะไม่มีเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายตั้งปวงในโลกนี้ในเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงแล้วคำว่าน้าเกลียดก็ไม่มีคำว่าน่าชอบน่ารักก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ไม่มี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 เมื่อพระองค์รู้แล้วแม้ในขณะที่ตรัสรู้อาจจะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไรแต่เมื่อออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นพอสภาพจิตมาสัมผัสว่ามีร่างกายจิตจะเริ่มมีเครื่องมือสําหรับใช้สอยคือกายเป็นเครื่องมือของจิต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 จะไปเอาภาษาเทวดาอินทร์ลมหรือภาษาพูดผีปีศาจมาพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะพระองค์จะแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังจิงเอาธรรมะจิงเอาภาษาของมนุษย์มาบัญญัติชื่อธรรมะที่พระองค์รู้แล้วก็เอามาเล่าสู่บรดาพุทธบริษัทฟังเพราะเอาภาษามนุษย์มาพูดมนุษย์ฟังแล้วก็เข้าใจ แล้รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้นี่คือวิธีความเป็นของจิตของนักปฏิบัติทีนี้เรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อบริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่ง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 บริกรรมภาวนาพโพโตโพโตโพโตโพโตประเดียวเดียวมันลืมพุพโตแล้วไปคิดอย่างอื่นพยายามมาตั้งหลายปีดีดักมันก็ไม่สงบเป็นหนึ่งไม่มีปีติไม่มีความสุขไม่ได้สมถะภาวนาสักที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 แล้วเราไม่เอามาหาบริกรรมภาวนาอีกปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านดอกหรือในขั้นแรกนี่มันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกหัดธรรมสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของการกำหนดตามรู้ก็ย่อมจักมีขึ้น แล้วในที่สุดเมื่อเกิดมีการคล่องตัวมีความคล่องตัวของการกําหนดทีแรกเราอาจจะตั้งใจกําหนดรรมสติตามรู้แต่เราฝึกจนคล่องจนทนํทนานิทานานอาศัยการอบรมให้มากๆทําให้มากๆในที่สุดเพราะความเคยชินและความคล่องตัวสติของเราจะตามรู้ว่ารด้จิตของเราไปเอง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 เมื่อใจปล่อยทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปจนสุดช่วงมันแล้วเราทำสติตามรู้ถ้าหากว่าไปสุดช่วงมันแล้วมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่คิดอาการของสมาธิไม่เกิดขึ้นเราย้อนมาบริกรรมภาวนาอีกใหม่ เมื่อมันปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วปฏิบัติสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้โดยอาการโดยอาศัยการอบรมมากๆทำให้มากๆทำจนชำนิชำนานทำทำจนคล่องตัวแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเอง และไม่อีกปัญหาหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบเป็นสมาธินิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไม่เกิดความรู้ความเห็นอะไรเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดได้แล้วเมื่อจิตของท่านถอนออกมาจากสมาธิ พอมาสัมผัสรู้ว่าเรามีกายความคิดย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านยลโละโอกาสรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อทำสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปผาสติตามทันความคิดความคิดจะกลายเป็นองค์ปัญญา เป็นสิ่งลู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติความคิดจมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเรากำหนดเอาความคิดเป็นสิ่งลู่ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติแก่กล้ามีพลังเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นสตินสีแล้วจิตของเราจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสาคัญมั่นหมายว่าความคิดก็ไม่เที่ยง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 เลยจะไปเรียว่าเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีแล้วดีแล้วพอใจแล้วไปพอใจแต่เพียงแค่นั้นเมื่อจิตถอนออกมาเพราะความดีใจรีบกระโดดโลดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิไม่ชะลอเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้เพียงแค่ความสงบแต่ถ้าเราชะลอเวลายังไม่ รีบออกจากที่นั่งสมาธิมาย้อนพิจารณาดูอีกทีหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเราเราเริ่มนั่งสมาธิเริ่มกำหนดอารมณ์พิจาจรณาตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบผ่านอะไรเข้าไปบ้างมีปีติสุขเอกับคาตาไหม เพียงแค่นี้ก็เป็นอุบายทำให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาทบตวนดูจนจบเรื่องที่เราพิจารณาแล้วมายับยั้งจิตให้เฉยอยู่สักพักหนึ่งเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้เอาสิ่งรู้นั้นเป็นอารมณ์ของจิตทําสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาอารมณ์ ในขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติ ด, ด้วยการบริกรรมภาวนาก็ดีการปฏิบัติ ด, ด้วยการยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายจกตาสติพิจารณาลูปนามก็ดีหรือกำหนดจิตทรรมสติตามรูปความคิดก็ดีการปฏิบัติตามแบบดังที่กล่าวไาจุดมุ่ง ก็เพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ในเมื่อไม่มีฌานคือการเท่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิดถ้าเมื่อความคิดไม่มี สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบของจิตในขั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาความคิดหรือสติปัญญาที่เราตั้งใจคิด ที่เราเรียนรู้มาจากสำหรับตำรารู้มาจากการได้ยินได้ฟังรู้มาจากการคน้นการคิดอันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดาแต่เมื่อจิตสอบลงแล้วจิตผุดเป็นความรู้เกิดมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิปัญญาแต่น้าปฏิบัติทั้งหลาย อย่าไปตั้งใจปฏิบัติเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสมาธิหรือเดินจงกรมให้พยายามทมสติกำหนดตามรู้การยืนเดินด น, นั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นจุดยืนของนักปฏิบัติถ้าหากเราเอาแต่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการสํารวมจิต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 แต่ถ้าเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทุกลมหายใจเราจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจทำสมาธิอยู่ทุกลมหายใจปฏิบัติสมถธาวิปัสสนาอยู่ทุกลมหายใจเราจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกลมหายใจการทำสติสังวรระวังคอยดูอยู่ด้านแหละคือวินยัย ความมั่นใจต่อการที่จะกำหนดรู้กิเลสและอารมณ์ของตัวเองนั่นคือสภาธิความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นดับไปในขณะที่กำหนดอยู่นั่นคือตัวปัญญาเซนสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด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 ในขั้นสมถกรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานพอเป็นคติเตือนใจไล้เป็นแนวดำริของท่านผู้ฟัง <c oughs> ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกา ะ, ะนี้ <c oughs> ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าชวนชาวบ้านเขาทำสมาธิ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 การบําเพ็ญกรรมฐานเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจาวันด้วยวิธีการทำกำหนดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพุ ก, กลมหายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งนั้นเอาสติเป็นตัวนำ ชติที่เป็นตัวนําที่เราตั้งใจรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือพุท ธ, ธเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าตามไปทุกวาระจิตที่เราคิดอะไรเวลาเราเดินมาทํางานเมื่เดินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนต์นึกขึ้นมาทันทีว่าเราเดินจงกรมแล้วทำสติตามรู้กับการเดินนั่นไป พอนั่งปั๊บลงเราเลิกว่าเรานั่งสมาธิจำเนตเจตโลอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราใช้ความคิดเราคิดเรื่องอะไรทำสติู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยเอาสิ่งที่เราคิดเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อเราเขียนหนังสือทำสติอยู่กับการเขียนหนังสือเราจะทำงานอะไร เดินไปก้าวไปถอยกลับหรือทำอะไรจิปาถะที่เป็นกิจทุลาหน้าที่ของเราถือเอาสิ่ง น, น, นั้นเป็นอารมณ์กรรมาฐานทันทีด้วยเยืดอติว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งะระลึกแม้แต่ความคิดที่เราคิดจนอยู่พอคิดอะไรขึ้นมาพับทำสติรู้ทันที อย่าไปละโอกาสเมื่อเวลาเราเกิดความฟุ้งซ่า <c> น <oughs> โดยปกติธรรมดาแล้วคนทำงานใหญ่โตถึงขนาดที่อยู่ในสังกัดของสถาบันนี่จะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกิจการในทางด้านศิลเชื่อเนี่ยเข้าใจว่านอนไม่ค่อยหลับ กลัวว่าลูกนี่มันจะโกงทีนี้ในเมื่อจิตของเรามันเกิดความฟุ้งซ่านหลืกังวลกับสิ่งนั้นๆเราปล่อยให้มันฟุ้งไปเถอะให้มันคิดไปปล่อยให้มันคิดไปจนมันสุดช่วงของมันแต่หน้าที่ของเราพยายามกำหนดจิตทำสติตามรู้มันไปเอาสิ่งที่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์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 รู้สึกว่าเราจะควบคุมความรู้สึกของเราให้ตามรู้สิ่งที่เรานึกเราคิดแต่เมื่อเราฝึกขาดจนคล่องตัวแล้วเราคิดอะไรพับสติมันจะทำหน้าที่ของมันทันทีนี่ให้สังเกตลองลองฝึกดูการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องไปเข้าห้องกรรมาฐานเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ต้องไปอดข้าวแดงแกงร้อน ไม่ต้องไปทรมานตัวด้วยประการใดบำรุงร่างกายให้มันมีความสุขสมบูรณ์มีกําลังกายเมื่อกําลังกายสมบูรณ์กําลังใจที่จะทํามันก็มีถ้ากายมันอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วใจนี่มันจะแข็งสักเท่าแข็งก็เชิญเถอะสู้ความเจ็บไข้ไม่ได้มันก็เกิดความท้อแท้ไปเอง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 หลงแล้วสมาธิเกิดจิตจะเกิดสว่างสวัยอยู่ตลอดคืนย่างรุ่งทีนี้ในขณะที่จิตสว่างสวัยอยู่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนหลับแต่ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับร่างกายไม่มีมีแต่ใจแช่มชื่นเบิกบานปลอดโปร่งมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบังเกิดขึ้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน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 เข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตของเราจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆให้ตกไปได้ในขณะที่เรานอ น, อนหลับซึ่งมันจะมีปรากฏการณ์คล้ายๆกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่สามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจได้ทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิโดยวิธีการอย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงว่าไม่มีเวลา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 เขาบอกว่าเขานั่งเขียนหนังสือเขียนไปเขียนมาปากตามันหายแทนกระดาษก็หายเรายังเหลือแต่มือเปล่าเปล่าแล้วทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นพระในขณะนั้นจิตของเราค่องเข้าจดจ้องอยู่การกับการเขียนหนังสือแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันจิตมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง